ก็ได้พูดนะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นคือปัญหาระหว่างพ่อแม่กับลูกหรือว่าลูกซึ่งเป็นวัยรุ่นซึ่งสาเหตุส่วนนึงก็เกิดจากการที่พ่อแม่ไม่เข้าใจวัยรุ่นไม่เข้าใจว่าเนี่ยยิงห้ามเนี่ยมันก็ยิงยุยิ่งห้ามโ น, นห้ามนีนะ่ก็เหมือนกับ ผลักหรื อ, อยุให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ห้ามแม่ทำเพราะว่าไม่ดีไวรุ่นหรือลูกก็คิดว่าเนี่ยยิ่งอยากจะอะไรที่พ่อแม่บอกว่าไม่ดีลูกก็บอกว่าดีอะไรที่พ่อแม่บอกว่าไม่ดี ล, กกดดลูกก็กลับเห็นว่ามันดียิ่งบังคับก็ยิ่งต่อต้าน บ, าบังคับลูกไม่ให้ทำอย่างกั้นอย่างนี้ลูกก็ยิ่งต่อต้าน ยิ่งทำให้ดูดีพ่อแม่ก็มีความปรารถนาดีนะอยากเห็นลูกเป็นคนดีอยากจะให้ลูกจเจริญก้าวหน้าแต่ไม่รู้วิธีตัวใช้วิธีสั่งใช้วิธีจำจีจำชัยใช้วิธีตีกรอบให้ลูกหารู้ไม่ว่าวิธีนี้มันทำให้ลูกนียิ่งต่อต้านยิ่งบังคับก็ยิ่งปะท้วงยิ่งโตเถียง หรว่ายิ่งวางปลอกก็ยิ่งแหกปลอกจริงๆก็วูดีนะใจเราก็คล้ายๆกันเลยใจเราเนี่ยนะยิ่งห้ามมันนะมันก็ยิ่งทําลองสังเกตดูหรือลองทดลองดูนะห้ามไม่ให้คิดไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันกลับคิดนะก็เคยมีกาทดลองเนี่ยเอาคนเนี่ย ไปนั่งอยู่คนเดียวแยกกันอยู่คนละห้องคนละห้องคนละห้องแล้วก็มีคําสั่งว่าเนี่ยจะคิดอะไรก็ได้นะห้ามคิดอย่างเดียวห้ามคิดถึงมีขาวถ้าคิดถึงมีขาวเมื่ อ, อไหร่เนี่ให้กดกลิ่งเลยนะปรากฏว่าสั่งไม่ทันลายเลยเนะ่ยเสียงกลิ่นก็ดังระงมเลยทั้งที่ ถ้าไม่บอกถ้าไม่ห้ามนะคนก็ไม่คิดนะพอห้ามนี่มันกลับคิดขึ้นมาเลยมันเปลี่ยนจากมีขาวเป็นเต่าบินสีชมพูก็ได้อเต่าบินสีชมพูเนี่ยมันไม่มีอ่ะนะในโลกนี้แต่พอบอกห้ามคิดถึงเต่าบินสีชมพูเนี่ยคิดกันใหญ่เลยแต่ไม่ใช่การทดลองในะชีวิตประจําวันเราก็เห็นได้ เวลามันมีความคิดไม่ดีบางคนเนี่ยมันมีความคิดไม่ดีกับพ่อแม่กูบาอาจารย์จ่วงจาบพระตนตรไงพอพยายามห้ามยิ่งห้ามนั่าไหลมันเกือบยิ่งคิดนะจนกระทั่งหลายคนนี่เสียศูนย์เลย รู้สึกแย่มากที่ตัวเองคิดอย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เป็นงั้ก็เพราะไปห้ามมันอันนี้เรกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุงความโกรธหลายคนไม่ชอบแล้ววิธีการก็คือไปกดข่มมันอาจจะรวมไปถึงความเกลียดรวมไปถึงราคะ มันไม่ดีก็พยายามบังคับจิตไม่ให้คิดกดข่มมันเอาไว้มันกลับยิ่งพรุ่งพล่านนะยิ่งรบกวนอาจจะรบกวนตอนเวลาเผลอหรือว่าเวลาหลับนี่ก็มีการทดลอมกันนะ แบ่งคนไปนสองกลุ่มทั้งสองกลุ่มเนี่ยที่แรกก็ทําคล้ายๆกันให้ทบทวนว่าในชีวิตรเราที่ผ่านมามันมีอะไรที่เราทําไม่ดีอะไรที่เราอยากจะแก้ไขอะไรที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงเขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้แล้วก่อนนอนเนี่ยก็จะมีกลุ่มหนึ่งเนี่ย เวลานึกถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีของตัวนิสัยที่ไม่ดีของตัวหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ตัวเองทำไม่ดีอยากจะลืมก็ให้ตั้งใจนึกนะว่าอยากจะกําจัดมันออกไปอยากจะลืมมันออกไปไม่อยากจะนึกถึงมันเพราะว่าพอหลับนี่นะมันฝันเลยนะในสิ่งที่ไม่อยากคิดไม่อยากนึกมันโผล่ขึ้นมาเลย สถาารที่คนที่เขาไม่ได้ถูกไม่ได้รับมอบหมายให้ไปไปกดไปข่มไปห้ามความคิดเหล่านั้นหรือการกระทำเหล่านั้นก็นอนปกติอันนี้มันก็แสดงว่าใจเราเนี่ยมันก็เหมือนกับวัยรุน่นนั่นนะยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุกยิ่งยุยิ่งบังคับก็ยิ่งต่อต้านอย่าบังคับจิตให้อยู่กับ ลมหายใจพยายามบังคับจิตให้อยู่คำบริกรรมพยายามบังคับจิตให้อยู่กับท้องพองยุกมันเปนกับต่อต้านเนี่ยตัวหลายคนนี่เครียดเลยนะเพราะว่าห้ามเท่าไหร่บังคับเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมมันเหมือนกับวัยรุ่นนะเวลาอยากจะให้วัยรุ่นเนี่ยอยู่บ้าน แต่หลายคนเนี่ยมันไม่อยากอยู่บ้านเลยเพราะว่าบ้านเนียถูกบังคับอยู่บ้านยี่ยถูกบังคับหลายอย่างคิดแต่ว่าจะออกจากบ้านท่าเดียวออกแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านยิ่งไปนอนบ้านเพื่อนได้ยิ่งดีเพราะเขาไม่รู้สึกว่านั่นคือบ้าน เ, นเขารู้สึกว่านั่นคือคุกพอรู้สึกว่าบ้านคือคุกมันก็ คิดแต่จะหาทางแหกคุกอย่างเดียวแบ้านกับคู่มันต่างกันยังไงบ้านคือที่ที่ตัวเองมีสระแต่คุกนี่คือที่ที่ตัวเองไม่มีสระใจเราก็เหมือนกันนะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราก็อยากจะให้เขารู้สึกว่ากายนี้เป็นบ้านพาใจกลับบ้านการปฏิบัติก็คือนี่แหละพาใจกลับบ้าน อะไรเป็นตัวพาใจให้กลับบ้านคือสติพาใจกลับบ้านแต่ว่าถ้าหาว่าไปบังคับจิตให้มันอยู่กับกายบังคับจิตให้มันแนบแน่นอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุกหรือแม่กระทั่งอยู่กับเท้าที่กำลังขยื่อนเวลาเดินดวงกลมมือที่กำลังขยับเวลาสร้างจังหวะหลายคนไม่เข้าใจไปบังคับจิตให้อยู่ตรงนั้นจิตเนี่ยมัน จะไม่ได้คิดว่ากลายเป็นบ้านอีกต่อไปนะนจะรู้สึกว่าบ้านนี่คือคุกเราคิดว่ากายนี่คือคุกแล้วพอรู้สึกว่ากายนี่คือคุกเลยมันอยากจะออกอย่างเดียวอยากจะแหกอันนี้ก็เรียกว่ายิ่งบังคับยิ่งต่อต้านหรือยิ่งบังคับก็ยิ่งประท้วงนั้นเวลาเราจะจะฝึกจิตเนี่ยนะ มันก็ต้องเลื อ, อยือเสมอนะว่าไปบังคับเข้าไม่ได้มีความคิดมีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นก็จะไปห้ามจิตไม่ให้คิดหรือว่าไปกดข่มอารมณ์นั้นยิ่งกดขม่มมันก็ยิ่งผุดยิ่งโผล่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือการที่เราเนียแค่รู้เฉย รู้ด้วยสติอยามีคําพูดหนึ่งที่เขาสรุปได้ดีนะหลักการปฏิบัติธรรมชาติของจิตเนี่ยอะไรที่เธอผลักไสจะคงอยู่อะไรที่เธอตระหนักรู้จะหายไปอะไรในที่หมายถึงความคิดและอารมณ์ความคิดและอารมณ์ใดที่พยายามผลักไสมันหรือเกิดขมมันก็ยิ่งดื้อด้านไม่ยอมไป จะอยู่จะทูซีอยู่ทารทายกวนประสาทเราแต่พอเราเปลี่ยนใหม่นะไม่ผักไซแล้วนะแค่ตระหนักรู้รู้เฉยๆหรือเห็นเฉยๆมันก็หายไปเองอันนี้เหมือนกัว่าเป็นการใช้วิธีการเรียกว่าอ่อนโยนนุ่มนวลกับจิตแต่บองครับจิตไม่ได้เลย อาจจะได้ผลชั่วคราวนะแต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยมันก็เกิดการพยศเกิดการต่อต้านเมือนก็วัยรุ่นน่ที่พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจพก็พยายามไปบังคับอย่างที่เคยทำตอนที่เขาเป็นเด็กเล็กๆว่านอนสอนง่ายแต่พอเป็นวัยรุ่นแล้วทำอย่างนั้นไม่ได้แต่พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจพยายามใช้วิธีเดิมเด็กก็ยิ่ง ตีกลับเบี่ยงเข้าไปนะต่อต้านต่อต้านคำสอนต่อต้านกรอบที่พ่อแม่แยมยัดเยียดให้หรือแม้แต่ต่อต้านสิ่งที่พ่อแม่เห็นว่าดีเด็กบอกมันไม่ดีการแต่งกายอย่างไหนที่พ่อแม่บอกว่าดีเรียบร้อยเด็กมันยิ่งทำตรงข้าม แต่งตัวซกมุกสมโส ม, ส ม, ส ม, สมกลายเป็นเทพไปถือว่าได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองไม่อยู่ในโอวาหรืออยู่ในอำนาจของพ่อแม่ต่อไปให้ใจเราก็เหมือนกันนะมันก็ถ้าเราไปใช้อำนาจกับมันมันก็ไม่ยอมพยศ ถ้จาจดจำนุ่มนวลมีความคิดอารมณ์อารมณ์ใดเกิดขึ้นก็จะไปกดข่มไล่บี้แต่ว่าแค่ดูเฉยเฉยแค่เห็นเฉยเยแค่เฝ้าดูเฉยเฉนี่มันก็หมดพิษสงไปเองเพราะธรรมชาติของความคิดอารมณ์พนี้มันไม่ชอบมันกลัวการถูกดูถูกเห็นถูกรู้พอแล้วไม่ตั้งตัวเป็นปฏิปปะไม่คิดจะไล่บี้รวมรันพันตู แล้วก็หมดที่สรงหรือจะอผู้ใหญ่หนคือมันก็ค่อยเชื่องลงเชื่องลงแล้วค่อยล่าถอยไปเวลาจะให้ใจหนึ่งกลับมาอยู่กับกายเนี่ยเราจะบังคับให้ใจมาแนบแน่นอยู่กับกายไม่ได้พอใจพราะืนทํางันใจมันจะส่วนกายนี่คือคุกพอมส่วนนี้คือคุกแล้วก็คิดแต่จะแหกอย่างเดียวคือคิดจะฟุ้งออกไป ที่แต่จะเจอกระ เ, เจิองออกไปข้างนอกไม่ยอ ม, มอยู่กับกายแต่ถ้าเราใช้วิธีที่นุ่ม น, นลวลนะกว่านั้นคือให้มีสติรู้เวลาใจมันเผลอไปสติเป็นตัวทักนะเป็นตัวกล่อมเป็นตัวชวนให้ใจนี้กลับมาอยู่กับกายเวลาปฏิบัติเนี่ยนะ ถ้าให้อิสระกับใจนะว่าเออจะอยู่ากายก็ได้จะไปก็ได้ไม่เหมือก็ไปนะแต่ว่าทํำไปบ่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าไใ้กายนี้เป็นบ้านของใจเพราะว่ามันมีสละบ้านก็คือที่ที่มีอิสระในการมาและการไปแต่ถ้าหากว่าไม่มีอิสระที่เมื่อไรมันก็ ที่นั่นก็กลายเป็นคุกทันทีนนเวลาจเจริญสติเนี่ยเดินยงกลมเนี่ยที่นี่เนี่ยเราไม่บังคับให้จิตไปแน่นนั่นอยู่ออกับกายให้มันรู้เบาๆรู้เบาๆรู้กายเคลื่อนไหวจะไปก็ได้แต่ว่าเราก็จะชวนให้เขากลับมาไปไม่ให้กลับมาไวว พอทํายี่เข้าเนี่ยใจยมันก็เริ่มรู้สึกว่ากายนี่คือบ้านมันก็อยากจะมาอยู่มันเป็วิธีการที่นุ่มนวลก็เหมือนกับเวลาเราเลี้ยงหมาเนี่ยอยากให้หมาตัวน้อยๆอยู่กับบ้านทํายังไงบอกเขาก็ใช้วิธีล่า ม, มาันเอาไว้หรือขังมันไว้ในกรงมันก็ได้ผลนะแต่ชั่วคราวเชื่อขาดหรือมันหลุจักกรงมาแล้วก็ วิ่งออกไปนอกบ้านาทันทีและทีนี้ก็จะไล่จะตามกลับมายากแต่เราลองใช้วิธีหนึงคือว่าให้อิสระกับมันอยู่บ้านมันอิสระจะมาจะอยู่หรือจะไปก็ได้แต่พอมันไปเมื่อไหด้เราก็ขยันเลี่อนกลับมากลับมากลับมาเรียกชื่อนะแดงกลับมาหรือว่าเบนนี่กลับมา ใหม่ๆก็กลับมาช้าแต่ต่อไปมันจะกลับมาเร็วขึ้นกลับมาเร็วขึ้นใหม่ๆจะไปเพลิเนกับการไปเล่นกับมาตัวอื่นแต่ว่าพอเราขยันเรียกขยันเรียกมันก็ค่อยๆเริ่มกลับมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่ง สามารถจะอยู่กับบ้านได้นานโดยที่ไม่ต้องล่ามอาจจะเผลอเวลามีคนเดินผ่านอาจจะตามเข้าไปจะไปเล่นกับเขาปรเดี๋ยวมันนึกได้เองมันนึกได้เองว่าที่ที่มันควรอยู่คือบ้านมันก็กลับมาเองในการจุลสติมก็ทําแบบนี้นะอย่างสังเกต น, นะเวลาเรา ส่วนบนเราฟังคำบรรยายหรือว่าเราเดินจงกรก็แล้วแต่บางทีใจมันก็ไหลไปออกไปนอกตัวอันนี้เราเรียกว่าหลงมันหลงก็ไปนในความคิดคิดเจ็ดแปดเรื่องยาวเป็นสายแต่เราอยู่ดีๆเนี่ยมันก็เกิดรู้รู้ตัวว่าเผลอไป ตรงเนี้ยเราเรียกว่าได้สติแล้วนะหรือว่าสติเริ่มเริ่มตื่นสติเริ่มทํา ง, งานแล้วแล้วสติก็จะพาใจกลับมากลับมาอยู่กับเนื้อกับตั ว, ก, ตวกลับมาอยู่กับสิ่งที่ทําไม่ว่าจะเป็นฟังคําบรรยายหรือว่าสวดมนต์หรือกินข้าวหรือเดินจงกรมก็แล้วแต่อย่างที่บอกนะให้เราสังเกตรตรงนี้แหละเนะเวลา ใจมันลอยมันหลงแล้วมันเกิดรู้ตัวขึ้นมาหรือเกิดได้สติขึ้นมามันกลับมาเลยนะมันคิดอะไรอยู่มันทิ้งเลยนะความคิดนั้นนะกลับมาที่บ้านบ้านคืออะไรคือกายหรือว่าคือปัจจุบันคือสิ่งที่กำลังทำอยู่มันกลับมาเองเัื่องกรมาน้อยที่มันเตลิดไปสักพักมันก็รู้ตัวแล้วกลับมาที่บ้านถ้าว่าเราเรียกมันบ่อย แต่ว่าในการจุลสติเราไม่ต้องเลี่ยงนะสติมันทํางานของมันเองสติมันออกมาหรือมันตื่นใหม่ๆมันก็ตื่นช้านะหรือทํางานช้าแต่ถ้าเราไม่ใจร้อนนะเออเราก็ให้โอกาสสติได้ทํางานอย่าไปทํางานแทนสติในว่าสติทํางานช้าบางคนรู้สึกว่าแหมมันกลับมาช้าฟุ้งเยอะเหลือเกิน คิดมากหรือเกินไม่อยากจะรอให้สติทํางานแล้วก็ไปจัดการเองเลยนะคืออะไรไปดักจ้องดักจ้องความคิดมันความคิดออกมาเมื่อไหร่ก็เล่นงานมันทันทีบีมันทันทีกดมันทันทีหรือแม่ก็บังคับจิตให้มันอยู่กับเท้าอยู่กับลมหายใจอันนี้เป็นเพราะเราเนี่ยไม่ยอม ไม่ค่อยมีความไว้วางใจสติไม่ให้โอกาสสติทํางานแต่ถ้าเราให้ให้โอกาสสติทํางานนะั่นคือว่าไม่ต้องไปดักจ้องไม่ต้องไปบังคับติดใจมันจะฟุ้งก็ฟุ้งไปในร่อนที่เราเดินจงกลมแต่ประเดี๋ยวมันก็ได้ ส, สติขึ้นมาลุ้าหลงก็กลับมานี่เรียกว่าให้ ส, สติให้โอกาสสติทํางาน ต้องใจเย็นนะอย่าไปรีบร้อนที่จริงก็เหมือนกับเราสอนลูกนะสอนวัยรุ่นเนะี่ยเราไม่ได้สอนด้วยการจำตีจำใช่แต่ว่าให้โอกาสเขาลองทำดูไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดบ้านการล้างจานที่จริงอาจจะเริ่มตั้งแต่เขายังเล็กอยู่แล้วก็ได้ให้เขาได้ลองทำดูอาจจะช้าอาจจะไม่เรียบร้อยอาจจะไม่สะอาด แต่ว่าพอให้โอกาสเข้าบป่นบ่อทําทได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นที่จริงไม่ใช่ลูวงเดือนลูกน้องกันเหมือนกันนะถ้าเรามีลูกน้องเนี่ยแล้วเราให้ลูกน้องทำอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีอาจจะช้าเพราะว่าเขาไม่เก่งเหมือนเราเรามีประสบการณ์เยอะให้เราก็ใจร้อนก็เลยไม่ให้ลูกน้องทาเลยเราทำเองหมดสุดท้ายเราก็เหนื่อยขณะที่ลูกน้องก็ไม่มีประสบการณ์ แต่ถ้าาลองให้โอกาสลูกน้องเขาได้ทำมีผิดบ้างถูกบ้างอาจจะช้าบ้างแต่ว่าให้โอกาสเขาบ่อยๆเขาก็จะเก่งในรหล่างที่เขาลองผิดลองถูกเราก็ต้องมีอุเบกขานะก็ดูอุเบกขาเนี่ยมันก็คือสิ่งเดียวกับที่เราใช้ในการฝึกจิตนะเวลามัน สติทำงานช้าหรือว่ากลับมารู้สึกตัวช้าไม่เป็นไรหรือว่ามันมีความคิดมากความคิดเยอะไม่เป็นไรใหม่ๆเนี่ยนะมันก็จะฟุ้งมากหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าเน่ยไปห้ามคิดยิ่งคิดมันก็ยิ่งรู้รู้นี่คือรู้ทางความคิดแต่ใหม่ๆเนี่ย มันจะลูกแค่ห้าที่เหลือนี่คือหลงอาจจะเรียกว่าสติมันทํางานช้าก็ไม่เป็นไรความรู้สึกตัวยังกลับมาช้าก็ไม่เป็นไรมีอุเบกขาในการเปิดโอกาสให้สติได้ทํางานแล้วพอทำํำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะสติก็จะทำงานได้เร็วขึ้นรู้สึกตัวได้เร็วขึ้น รู้ทางความคิดได้เร็วขึ้นพาจิต ก, กลับมาสู่กายหรือกับพาจิต ก, กลับบ้านได้เร็วขึ้นไวขึ้นจริงการสอนลูกเนี่ยมันก็ใช้วิธีแบบนี้เหมือนกันนะโดยเฉพาะลูกที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยต้องให้โอกาสเขาลองผิดลองถูกผิดบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเ้าได้เรียนรู้รู้เบื้องขาจำเป็นมากโนะดยเฉพาะ ในการจระสติเนะี่ยอุเบกขาที่สําคัญคือว่ารู้สื่อๆนะรู้โดยใจที่เป็นกลางรู้โดยที่ไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไหลาตามเนะี่ยอันนี้ก็เป็นอุเบกขาชนิดหนึ่งนะมันมีความคิดใดเกิดขึ้นความคิดที่ดีก็ไม่ไปหลงไหลกับมันความคิดไม่ดีก็ไม่ไปผักใสมันมันก็ยากนะเพราะว่า คนที่เป็นนักปฏิบัติหรือว่าเป็นนักปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยมันจะมีการจ้องนะจ้องที่จะเล่นงานความคิดและอารมณ์ที่ไม่ดีความฟุ้งเนี่ยก็ตัวหนึ่งแล้วนะฟุ้งมาแล้วก็บีมาเลยห้ามมันไม่ให้คิดไม่ให้ฟุ้งหรือมันมีความโกรธมีความไม่พอใจก็ไปกดข่มมันเอาไว้มีความโกรธมีความอิจฉากดข่มมันเอาไว้ เพราะว่ามันไม่ดีเพราะมันทําให้ใจไม่สงบอันนี้เรียกว่าไม่ได้รู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆจะมันก็รู้เฉยๆรู้ด้วยใจที่เป็นกลางรู้ด้วยใจที่เป็นอุบเบกขาไม่ผักสายแล้วก็ไม่ไหลาตามอาจเป็นคุณสมบัติหรือเป็นธรรมะที่สําคัญมากนะเพราะว่ามันทาให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นอิสระเหนืออารมณ์ความคิดแล้วก็สิ่งเร้าสิ่งกระตุน้นอย่างที่พูดกันก่อนได้ เสียงดังเนี่ยมันมันไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับเรามากเท่ากับใจที่ไปผักสเสียงนั้นใจที่หงุดหงิดรำคาญเสียงนั้นนั่นคือใจที่ไม่มีอุบเบกขาแทนที่จะเห็นมันเฉยเฉยก็ไปเล่นงานมันและสุดท้ายก็โดนมาเล่นงานแทนในความอารมณ์เนี่ยโกรธเนี่ยนะพอเราจะไปเล่นงานมันจะไปผักสายมันนะ เพราะวามันคล่องําใจเราเลยเสียงที่ไม่ชอบยิ่งไปผักสายมันก็กลับกลายเป็นติดจอ่อยึดติดในเสียงนั้นก็เลยไม่ได้สนใจเลยนะว่าเมื่อกี้กําลังทําอะไรอยู่อย่าง ก, กําลังฟังคํญญาบรรยายอนะเรามีเสียงดังอาจจะไม่ดังมากแต่เสียงมันมารบกวนมันแทรก ไอ้เป็นเสียงลิงโทนโทรศัพท์หรือว่าเสียงคนพูดคุยกันใกล้ๆหรือไกลๆก็ตามยิ่งเสียงนั้นก็ไม่รบกวนเท่าไหร่นะแต่พอใจเนี่ยไปไปงุนงงลำคาญเสียงนั้นไปต่อต้านเสียงนั้ น, นความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจเราเลยและสุดท้ายกําลังฟังธรรมอยู่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะใจไม่ได้อยู่กับการแสดงธรรมใช่ไแล้วนี่เป็นเพราะว่าไม่รู้จัก วางจิตเป็นอุเบกขาต่อเสียงต่อสิ่งที่มากระทบถ้าเราไม่มีอุเบกขาต่อสิ่งที่มากระทบนี่ไอสิ่งที่กระทบมันจะกลายเป็นสิ่งเราสิ่งกระตุ้นทันทีเลยคือกระตุ้นให้ให้ทุกข์ให้โกรธให้ลำคาให้งุนงิดหรือว่าให้วอยวายติโพตีพายหรือลงไม้ลงมือแต่ถ้าเรามีอุเบกขานะด้วยหน้าหุ่สติเนี่ยสิ่งที่กระทบเนี่ย มันจะไม่ใช่เป็นสิ่งเราแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นเฉยๆแค่นั้นแหละถูกรู้ถูกเห็นแต่ว่าไม่สามารถที่จะทําให้เราทุกข์หรือว่าทําหรือบังคับให้เราทำโน่นทำนี่ตีโวยตีพอยตีพายหรือผักสายให้เราไปทะเลาะบาะแว้งกับใครเราสามารถจะเป็นอิสระต่ตอจากสิ่งที่มากระทบได้ถ้าเรารู้จักวางใจเป็นกลางต่อสิ่งต่างๆ เริ่มตั้งต้นตั้งเริ่มต้นตั้งแต่ความคิดละอารมณ์จะไม่เกิดขึ้นเริ่มเลตัวเริ่มที่ตรงนี้คืออารมณ์ภายในหรือไอตนะที่ชื่อว่าธรรมารมณ์ต่อไปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มากระทบะเราก็วางใจเป็นกลางกับมันได้แล้วก็เป็นอิสระจากมันได้ในที่สุด